เราอยากจะไปนิพพานกันอย่างๆอะจริงๆอันนี้สําคัญไหมสําคัญที่จริงหลักแห่งการแบ่งปันหลักการใช้สอยเนี่นะข้าพระมศาสดาก็สอนสอนหลักวิธีการจัดจ่ายใช้สอยทรัพย์ไว้ก็คืออย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าคือการแสวงหาคืออย่างนี้ว่า ตัดจำแนกท่านใช้คําว่าการมภพคีคือชาวบ้านบุคคลที่ยังต้องบริโภคการ์มอยู่นี่นะท่านจัดอย่างนี้ท่านจัดออกเป็นสิบ ป, ประเภททั้งส่วนดีส่วนเสียกลุ่มที่หนึ่งก็คือว่าพวกหนึ่งสแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบทำกลุ่มแรกนี่นะสแสวงหาทรัพย์มาโดยไม่ชอบทำได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นตามความดีอันนี้ควรตาหนิไหมรวมนี้ควรตําหนิ อะไรหนึ่งสแสวงหาโดยไม่ชอบทำใช่ไหมอันนี้ข้อแรกนะประการต่อมาคือได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตันให้เป็นสุขนี่นะประการต่อมาทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันแล้วไม่ใช้ทรัพย์ทําความดีเนี่ยสามประการนี้ควรตาหนิทั้งสามสถานเลยไหมใช่หมหนึ่งการสแสวงหามาโดยไม่ชอบทำก็น่าตาหนิใช่ไหมน่าตําหนิอยู่แล้ว แล้วเมื่อได้ซัพย์มาแล้วก็ไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขก็น่าตำหนีไหมทีนี้แต่ยังไม่เผื่อแผ่ไม่แบ่งปั น, ปนและไม่ยอมทําความดีก็อีกทั้ง ส, สามศาสนะนี้โดนตําหนีหมดเลยสามประการนี่นะข้อที่สองพวกหนึ่งแสวงหามาทรัพย์ฮะพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์มาโดยไม่ชอบทําได้ทรัพย์มาแล้วกลุ่มนี้นะแต่เลี้ยงตนให้เป็นสุข และไม่เผื่อแผ่แบ่งปันไม่ใช้ทรัพย์ทําความดีตั้มมีกี่อย่างสองอย่างใช่ไหมสองอย่างก็คือได้ทรัพย์มาโดยไม่ชอบทำกับกับไม่ยอมเผื่อแผ่แบ่งปันแต่เอามาเลี้ยงตนนี้เป็นความให้เป็นสุขเนี่ยมันไปนดปีประเภทแรกนะประเภทที่สามพวกพวกหนึ่งเนี่ยสแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบทำได้ทรัพย์มาแล้วก็เลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งเผื่อแผ่แบ่งปันใช้ทรัพย์ทําความดี ตำแี่สถานะสถานะเดียวเพราะได้ทรัพย์มาโดยไม่ชอบทำในทั้งสามประการนี่นะก็ชมสองสถานะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองก่อนนะกลุ่มนี้แสวงหาทรัพย์โดยชอบทำบ้างและก็ไม่ชอบทำบ้างมันจะมีนะกลุ่มเนี้ยทั้งชอบทำก็มีไม่ชอบทำก็มี บางครั้งจิตโลภโกรนหลงก็มีได้แบบเยอะแยะบบเสรนี้ยได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันไม่ชัดไม่ใช้ทรัพย์ทำทำความดี น, นี่ก็สามก็ควรตําหนิไหมเนี่ยหนึ่งแงสวงหาทรัพย์มาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขไม่เผื่อแผ่แบ่งทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์ทําความดี อันนี้ประการตําหนิงไหมกี่สถานะก็สามสถานะชมหนึ่งสถานะใช่ไหมต้องบอกอย่างงั้นประการที่ห้าพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์มาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่เพื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์ทำความดีนี้ตําหนิงสองสถานะแล้วก็ชมสองสถานะพวกที่หกแสวงหา ซับมาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างได้รัย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งเผื่อแผ่แบ่งปันใช้ทรัพย์ทําความดีอันนี้ตําหนิหนึ่งสถานะชมสามสถานะเนี่ยนะประการต่อมาที่เจ็ดแสวงหาทรัย์มาโดยชอบทำนะอันนี้ได้ได้เคะมมาถูกเลยได้รัย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขและไม่เผื่อแผ่แบ่งปันไม่ใช้ทรัพย์ทําความดี น, นี้ตําหนิสองชมหนึ่งที่แปด แสวงหาทรัพย์มาโดยชอบทำได้ทรัพย์มาแล้วทำยังไงได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่เพือแพรแบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์ทำความดีนี้ตําหนิหนึ่งและควรชมสองประการที่เก้าได้แสวงหาทรัพย์มาโดยชอบทำได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขเพื่อแพรแบ่งปันใช้ทรัพย์ทำความดีแต่แต่ยังมัวเมาหมกมุ่น อ, อมีไหมทำดีนะก็เรามีทรัพย์ก็ยังหมกมุ่นละเลงอยู่ในทรัพย์นั่นแหละกินใช้ทรัพย์โดยไม่รู้เท่าทันแหงโทษไม่มีปัญญาที่จะทำตนให้เป็นอิสระจากทรัพย์ไม่มีปัญญาเพราะให้ทรัพย์มาเป็นอะไรเออมาให้ทรัพย์มาเป็นเจ้านายเราไปเป็นทาสของทรพัพย์เป็นเป็นทาสของทรัพย์เคยเจอไหมกลุ่มนี้จ็กเริมคิดแล้เยะเราเนี่ย เราเนี่ยจะใช้ซับตรงที่ภาษาสดาบอกไว้หรือเปล่าเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหมกมุ่นนะกลบห ม, มกมุ่นมัวเมาเพราะว่าไม่เห็นโทษเ น, นะยไม่รู้เท่าทันไม่ฉลาดคิดไม่มีปัญญาที่จะทําตนให้เป็นอิสระจากราคะโทสะเป็นไม่สามารถจะทําตนเป็นนายอยู่เหนือพวกข้ศัพย์อย่างนี้ควรชมสาสามสถานนะตําหนิสถานะเดียวคือไปมัวเมาหมกมุ่นใช่ไหม เรามีทรัพย์เราก็ทําตนนี่เป็นสุขเนื้อเพื่อแผ่แบ่งปันเนืไม่ใหไปเบือแผ่แบ่งปันใช่ไหมใหญทรัพย์ทําความดีด้วยแต่เรามีทรัพย์เนี่ยจะให้ดีจะให้ประเภทไม่หมกมุ่นในทรัพย์ไม่ได้เรามีทรัพย์เรามีบ้านเรามีรถเรามีเพื่อนเรามีพวกพ้องเรามีบริวารเราต้องดูแลเราต้องมัวเมาหมกมุ่นใช่ไหมเราต้องเครียด เมื่อบริเมื่อเมื่อเมื่อทรพัพเหล่านี้มันมันมันรดูแลจัดสรรไม่ค่อยดีใช่ไหและในขณะเดียวกันเมื่อเราจัดสรรได้ดีแล้วเราก็ต้องยึดติดและเราก็ต้องไม่ฉลาดในการที่จะเดินออกจากันืองกรณีอย่างนี้ก็เรียกว่ามัวเมาอย่างนี้ฉลาดในการมีทรพัพไหมไม่ฉลาดอ่ะดูข้อสุดท้ายนี่เป็นข้อพิเศษน ะ, สะแสวงหา ชอบโดยธรรมกินใช้อย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีจิตอิสระก็ทํำยังไงพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนนี่เป็นสุขด้วยเพื่อแผ่แบ่งปันใช้สอยทรัพย์และทําความดีด้วยไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นไม่มัวเมากินใช้ทรัพย์ใช้สอยทรัพย์โดยรู้เท่าทันเห็นคุณเห็นอักษรพระว่าทรัพย์เนี่ย บุตรภรยาบริวารสัพ์ตั้งๆเนี่ยให้คุณแค่นี้แต่ถ้าหมกมุ่นโมเมาจะมีโทษอย่างนี้เห็นยังเห็นคุณเห็นโทษพราะเห็นคุณเห็นโทษแล้วรู้เท่าทันไหมรู้เท่าทันเห็นนิสสรนะในการทางที่จะพากจิตออกจากคุณและโทษเหล่านั้นเห็นทางเดินออกอ่ะเห็นทางเดินออกได้เดินจิตออกได้ไม่ให้หมกมุ่นกรณีในรักเนี่ย รู้เท่าทานเห็นคนเห็นโทษเห็นทางดีทางเสื่อมของมันมีพัญญาทําตนให้เป็นอิสระจากความหมกมุ่นมัวเมาเป็นนายเหนือโพกษัพ์ไม่ใช่ให้โพกษัพ์อยู่เป็นนายนะแต่ตนเองไปเป็นนายอยู่เหนือโพกษัพ์พนั้นเป็นชาวบ้านชนิดที่เลิศประเสริฐสูงสุดควรชมทั้งสี่สถานะควรชมตั้งแต่ตอนหาทรัพย์โดยชอบทำควรชมไหม โอ้โหเขาหามาด้วยจารีสินวาลีสินน่ะและควรชมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขจากการมีทรัพย์นี่ประการที่สองประการที่สามเผื่อแผ่แบ่งปันใช้ทรัพย์ทำความดีโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเนะใช่ไหมประการที่สามก็สุดยอดที่สุดยอดสุดนี่คือ เป็นอิสระมีสติสัมปชัญญะมีใจเป็นอิสระไม่มัวเมาหมกมุ่นกินใช้ทรัพย์สมบัติโดยรู้ทันเห็นคุณเห็นคุณของทรัพย์ว่ามีให้คุณแค่เนี้ยแล้วเห็นโทษของทรัพย์ผินทางดีทางดีของทรัพย์ผินทางเสียของทรัพย์ด้วยคนหมกมุ่นในทรัพย์ตายไปตกนรกไหมตนกนรกเนี่ยแล้วเราล่ะหมกมุ่นไหมหมกมุ่นไหมต่อไปจะไม่ยอมหมกมุ่นแล้วนาะ ถ้ามีทรัพย์เราจะใช้ทรัพย์ทำอะไรทำความดีและจะมีสติสมปัญญามีจิตเป็นอิสระจากจากทรัพย์จะให้ทรัพย์อยู่เหนือเราหรือเราอยู่เหนือรัพบเอากลับไปก็ไปท่องบอกโลูกบอกหลานลูกต่อไปมีทรัพบเองต้องอยู่เหนือรัพย์พูดอย่างนี้ได้ไหมพูดให้ข้อมูลแค่นี้พอไหมเดี๋ยวก็ใช้ใช้ซักกบกบาลเลยเพ่อธาตุใช่ไหมต้องบอกทุกวิธีในการใช้เลยไหม ต้องบอกด้วยรายละเอียดต้องบอกด้วยนี่ไงพระพุทธเจ้าเห็นคุณของภาษาสด้ายอย่ะสอนทุกอย่างไหมสอนทุกเรื่องแต่เสียดายคนสมัยนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเทาง่าเรนเองใช่ไหมยกเว้นพวกเราเนาะนอกนั้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยภาษาสดาจะสอนอย่างเนี้ยถ้าเราทําตามคําของภาษาสดาป่านนี้เราก็มีความสุขเล มีความสุขหมือตั้งนานแล้วนี่เพ่อโยมถามไงว่าทํายังไงจะได้รับความสุขตอนนี้เริ่มจะมองเห็นทางแห่งความสุขได้ยังและจะป้องกันทางแห่งความทุกข์ได้ยังทีนี้กรณีในลักษณะเป็นนายเหนือพ่อประซัพเป็นชาวบ้านชนิดที่ดีเลื่ประเสริฐสูงสุดควรชมศีรษะนะนี่การจําแนกเนี่ยคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยพระศาสดาก็จะตรัสโมกดูก่อนเนาะ ข้อหามบดีท่านซึ่งเป็นข้ารห์เออมึงถามบอกว่าเออถ้าการณีที่เราจะเป็นคารวาสเนี่ยถ้าเราใช้ทรัพย์เบ็ดเสร็จอย่างนี้แล้วหรือเราฉลาดในการจับก่ายใช้สอยทรัพย์อย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าชีวิตจะมีความสุขไหมมีความสุขตรงนี้ก็คือว่า ให้เราได้เข้าใจพระธรรมคำสอนของพระบรมศา ส, สดาเนี่ยแล้วเวลาเท่าไหร่อาแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าดูในชั้นของคำสอนเนี่ยนะที่ทรงแสดงเนี่ยอีกประการหนึ่งเนะถ้าเราดูว่าการที่เราจะเป็นอุบาสกอุบาสิ ก, กาเนยะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จะมีความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่นะที่ได้กล่าวไว้ในกรณีอย่างเนี้ย จะได้เห็นว่าพราะบระมาศ า, าสดานั้นทรงสอนถ้าเราปฏิบัติในชีวิตครวะแบบนี้ได้ได้สมบูรณ์แล้วการเดินเข้าหาพระธรรมคาสอนนี้จกไม่พวงหน้าพวงหลังใช่ถึงแม้ว่าเราจะถึงจุดที่ว่าหมดก็หมดไปจากบุงควรที่ทำดีมาสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเสียใจใช่ไหม เพราะเราได้สร้างปัจจุบันเหตุได้ดีอย่างถ้าชีวิตตายไปเนี่ยเราก็ได้ดีบได้ดีเนี่ยเนี่ ย, ยตรงนี้ก็คือว่าพระศาสดาก็สอนท่านจําแนกคําสอนบอกว่าให้ได้ความคิดแล้วการวิชัยเรื่องราวต่างๆชัดเจนตรงไปตรงมาตามความเข้าใจนะจะได้ไม่เกิดความสับสนในเรื่องราวต่างๆเนาะ นั้นในการในชีวิตประจําวันอย่างสามอย่างสามัญคําพูดว่าถ้าบอกว่าภษาสดาสอนที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้านอกจากจะสอนเรื่องต่างๆในการใช้ทรัพย์ต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยภาษาสดายังสอนแม้กระทั่งการมองเลยเนะการมองว่าเช่นเราจะมองนักบวชยังไงสอนขนาดนั้นเลยเ สอนในการมองไม่ไดนทั้งนักบวชนย่ามาควรจะบอกไหมนี่นะตรงนี้ก็คือว่าพระศาสดาก็สอนสอนในเรื่องบอกว่าโดยที่จริงพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องบอกว่า ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญทานในตระกูลของข้าพระองค์ยังมีอยู่ก็แลทานนั้นข้าพระองค์ถวายไปในกับท่านภิกษุทั้งหลายชนิดที่เป็นผู้อยู่ป่าเนะภิกษุที่ถือบิณธบาตเป็นวัดครองผ้าบางสกูลซึ่งเป็นพระรหลังหรือเข้าถึงอารามพระพุทธเจ้าค่าเป็นต้นถามพระบรมศาสดาใช่ไหมคือท่านมีความเข้าใจว่าภิกษุที่อยู่ป่าเนี่ยเนอะพี่อยู่ประพฤติเป็นพุง ภาษาสดาก็สอนดูก่อนก็เรื่องพดีนะท่านซึ่งเป็นเครือขัดเนี่ยยากที่จะรู้ได้ถึงความข้อที่ว่าท่านเหล่านี้เป็นพ า, ารหนะันเนอะท่านเหล่านี้เป็นผู้เข้าถึงอรหัตมร์ถึงจะเป็นภิกษุอยู่ป่าหากเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านลำพองกวัดแกงปากมากพูดพ้อยสติเลอะเลือนไรสัมปชัญญะจิตไม่ตั้งมั่น จิตใจวุ่นวายปล่อยอินทรีย์ก็คือไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอก็เป็นผู้อันควรติเตียนโดยลักษณะข้อนั้นถึงจะเป็นภิกษุที่อยู่ป่าหากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านนะไม่ลำพองไม่ขวัดแกว่งไม่ปากมากไม่พูดพร้อยมีสติกำกับตัวมีสมประชัญญะมีจิตตั้งมั่นจิตใจเป็นหนึ่งเดียวสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ เธอก็เป็นผู้ที่ควรสรเสริญโดยลักษณะข้อนั้นถึงจะเป็นภิกษุที่อยู่เขตชายบ้านหากเป็นผู้ฟุ้งซ่านลำพองกวัดแกงปากมากพูดพ้อยมีสติเลื่อนเนื้อไร้สติสัมปชัญญะจิตไม่ตั้งมั่นจิตใจวุ่นวายปล่อยไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนื้อไม่ฝึกฝนสัตธินีวิรินีสติ น, นีปัญญีนีให้แข็งแรง เธอกัดแกงพูดมากพูดพรอยสติเลื้อนเป็นต้นเหล่านี้นะเธอที่เป็นเธอก็เป็นผู้ควรติเตียนโดยลักษณะข้อนั้นถึงจะเป็นภิกษุที่อยู่ชายเขตบ้านหากเป็นผู้ไม่ฟุง้งซ่านไม่ลำพองไม่กัดแกงไม่ปากมากไม่พูดพร้อยมีสติกำกับตัวมีสติสมัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นจิตใจเป็นหนึ่งเดียวสํารวมอินทรีย์ เธอก็เป็นผู้ควรจะกรเสริญโดยลักษณะข้อ น, นั้นถึงจะเป็นภิกษุถือบินทบาทถึงจะเป็นภิกษุราบที่มูลถึงจะเป็นภิกษุข้อบผ้ของผ้าบางสกุลนี่นะถึงจะเป็นภิกษุ ข, ของไตรจีวรที่ขั้นหาวีถวอรถวายก็เช่นตาม ก, ก, ก็ตามดูก่อนขั้นหาวีนะเชิญท่านให้ทานในสงฆ์เถิดเขา้าใจยังอย่าไปยึดติดตัวบุคคล เธอจงตั้งมั่นตัวบุคคล น, นั้นน้อมไปในทานเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุบาปเป็นผู้เที่ยวไปรูปเดียวอย่างไรกล่าวคือภิกษุบาปอยู่โดยอาศัยชนบทชายแดนแต่ผู้เดียวเธอเข้าหาสกุลทั้งหลายในที่นั้นย่อมได้ลาภภิกษุบาปเป็นผู้เที่ยวไปรูปเดียวอย่างนี้แหลนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเที่ยวผู้เดียวไม่เกียจฐานฝึกตนผู้เดียวเป็นผู้ยินดีในแดนป่า พรามผู้บำเพ็ญตะบะ ท, ทั้งหลายสยบแก่ตัญหาถูกศีลและวัดมัดเอาไว้บำเพ็ญตบะอันคํำตลอดเวลาร้อยปีจิตของเขาก็ห า, หาหลุดพ้นโดยชอบไม่เขายังมีท่วงทีสามหาไปถึงฝั่งไม่ผู้ชอบถือตัวย่อมไม่มีการปรึกตนผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นย่อมไม่มีปีชาอย่างเห็นมุนีผู้ฉลาดนี่นะผู้อยู่ป่าเดียวในป่าประมาทเสียก็ข้ามปัง แดนห่งมัดยูลาดไม่ได้คือไม่ว่าจะอยู่แต่เขตแดนและอยู่เขตบ้านหรือเขตป่าเ น, นะ้ถ้าเป็นผู้ประมาทเสียไม่สามารถที่จะข้ามบ่วงของมัดยุมานเป็นต้นได้เลยคือมานคือความตายได้เลยละมาน่าได้แล้วมีใจตั้งมั่นเป็นอันดีมีใจงามหลุดพ้นโดยประการและทั้งบวงผู้อยู่ผู้เดียวในป่าไม่ประมาทผู้นั้นจึงจะข้ามฝังแดนแห่งมัดจุคือความตายเป็นต้นได้ภิกษุรูปหนึ่ง ก็เป็นผู้อยู่ผู้เดียวนะแล้วก็พูดสรรเสริญคุณการอยู่ผู้เดียวเธอเข้าไปบิณธบาตในหมู่บ้านองค์เดียวกลับมาองค์เดียวนั่งในที่รับอยู่องค์เดียวเดินจงกรมคนเดียวพลิกสุทั้งหลายตราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์จริงได้ตรัสเรียกเธอมาตรัสซักถามสนทนาบอกว่าดูก่อนเถ่ละบอกว่าเธอเป็นผู้อยู่ผู้เดียวพูดสรรเสริญคุณการอยู่ผู้เดียวจริงหรือ ภิกษุก็บอกว่าจริงพระเจ้าข่านี่นะพระบรมศาสดาก็ตรัส บ, บอกว่าเธออยู่ผู้เดียวสรเสริญการอยู่ผู้เดียวยอย่างไรพระศาสดาภิกษุก็บอกว่าข้าพระองค์เนี่นะไปบินทบาทใน ห, หมู่บ้านองค์เดียวกลับมาองค์เดียวนั่งอยู่ที่รับองค์เดียวเดินจงกรมองค์เดียวนะข้าพระองค์อยู่คนเดียวและผู้สเสริญการอยู่คนเดียวแหละพระพุทธเจ้าบอกถูกดูก่อนเถระนั่นเป็นการอยู่ เดียวได้อยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่เป็นแต่เธอจงฟังวิธีที่จะให้การอยู่คนเดียวเนะ่ะทําเพื่อจะให้บริบูรณ์นี่นะโดยพิสดารอย่างนี้ว่าจงมนุษการให้ดีเราจะกล่าวนะสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วเนาะสิ่งที่เป็นอนาคตก็งดได้แล้วความพอใจติดใจในการได้อันเป็นตัว ตนต่างๆนี่ยในปัจจุบันก็กําจัดได้แล้วการอยู่คนเดียวย่อมบริบูรณ์โดยพิสดารให้ได้ด้วยประการชนิดก็หมายความว่าละฉันทราคะคือความยินดีพอใจในอดีตในานาคตและในปัจจุบันเป็นต้นได้ลักษณะอย่างนั้นตถาคตสอนเรื่องการอยู่คนเดียวแล้วสามารถละตัณหามาณทิฏฐิเป็นต้นได้ตรงนี้ถ้าเรามาสรุปประเด็นตรงนี้ก็จะเห็นนะในรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ก็คือว่าในชั้นของคำสอนเนี่ยที่บอกว่าบางครั้งเราเป็นคลาวาสการที่จะไปตรวจสอบว่าภิกษุรูปนี้เป็นต้นเหล่านี้เนี้ยนะท่านเป็นผู้มีข้อวัดปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับสายตาอย่างเราท่านทั้งหลายใช่ไหมฉะนั้นการเจริญกุศลเลยต้องดูอหละต้องดูว่าเราจะน้อมเป็นหรือไม่เราจะสามารถผ่านภิกษุรูปนั้ น, น่ะ เป็นแดนเน่ยการน้อมถึงพระรัตนตรัยได้ไหมท่านน้อมได้ในลักษณะนั้นบุญอ น, นิสง์จะมีผลมากไหมจะมีผลมากมีอ น, นิสง์มากด้วยประการในลักษณะอย่างนี้อระการต่อไปอยากจะฟังเรื่องอะไรอ้าวเพื่อนบังโหเมตตาโ อ, อติดขัดเรื่องเมตตามีที่นั่งอยู่นี้มีใครติดขัดเรื่องเมตตาไหม เมตตาก็แปลว่าอะไรเนะี่ยแปลความรักความปรารถนาดีแล้วก็ความเมื่อทอนเนาะสภาพของเมตตาเป็นอย่างนั้นลักษณะของเมตตาใช่ไหมเมตตานั้นคือการน้อมประโยชน์ใช่ไหมน้อมประโยชน์ไปให้เป็นลักษณะเอาประโยชน์ที่เราจะน้อมไปให้น้อมทางไหนได้บ้างน้อมทางใจก่อนใช่ไหมน้อมประโยชน์ไปให้เออ คือบางทีเนี่ยเรารักตัวเองไหมมากไหมรู้ไหมว่ารักตัวเองมากขนาดไหนรู้ไหมบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าเราเนี่ยรักตัวเองมากรักมากจริงๆเวลาตัวเองเจ็บป่วยต้องวิ่งรีบรักษาไหมปวดหัวรีบหายาไหมหิวก็รีบหาข้าวให้กินไหมโอเราดูแลตัวเองดีเหลือเกินใช่ไม ฉะนั้นการจเจริญเมตตานั้นเขาให้เอาตนเองเป็นเป็นอะไรท่านใช้คาว่าเอาตนเองเป็นประมาณเป็นประมาณเอาเป็นสักขีพยานเรารักตนเองอย่างไรจักรักผู้อื่นอย่างนั้นเอาตัวเองเป็นถ้าเราดูอย่างนี้ว่าอี่เห็นจักเป็นสัก์ว่าเห็นเนี่ในศัพท์นั้นน่ะมัตตานะ มัตตาเท่านั้นถ้าเห็นจะไม่ให้ความกำหนัดไม่ให้ความขัดเคืองไม่ให้ความรุ่มหลงเกิดขึ้นในชาวนะเอาจากขูวิญญาณเป็นประมาณเอามาเป็นแปบอย่างจากขูวิญญาณไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่รุ่มหลงเราจะทำํำชาวนาจิตของเราไม่ให้กำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงนี่เหมือนกันเนนะอันนี้เหมือนกันเมื่อเรารักตนเองเท่าไหร่ก็จงฝึกใจตนเองให้รักคนอื่นเท่านั้นนะเมตตาเนี่ยเขา วิธีฝึกๆแบบนี้ยตนเองเรารักไหมรักสุขไหมเกลียดทุกไหมปรารถนาความดีปรารถนาความสาเร็จในชีวิตไหมอยากให้ตนเองนั้นน่ะได้ดีพัฒนาการได้มีคนรักมีคนเข้ามาหามีคนพูดจาดีๆมีคนต้อนรับขับสู้อะไรเยอะแยะเป็นเสใช่ไหมและสูงสุดอยากให้ตนเองพ้นทุกขหม อยากให้ตนเองปริญญิพานไหมอยากจริงเป่าไม่รู้เนี่อยากให้ตนเองได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างเหนียวแน่นนั้ น, น, นมองตนเองให้เป็นที่ตั้งให้ชัดเจนก่อนเข้าใจตัวเองให้ชัดแล้วจริงน้อมจิตออกไปคิดถึงคนอื่นถึงจะเอาประโยชน์ที่ตนเองรักตนเองเท่าไหร่นั้นน่ะเอาความรู้สึกที่รักตนเองนั้นไปฉาบติดคนอื่นได้อยากไหมเนี่ย ถลักลูกก็เพราะว่าใช่ไหมถลัคนอื่นชักรู้สึกอึดอัดไหม<ะ>สิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นไหมเขาเรียกเอาตอนเองเป็นประมาณเพราะทุกคนเนี่ยเขา บ, บางทีเนี่ยใจเราให้สังเกตดูนะเราไม่สามารถน้อมใจสมมุติว่าาสมมติว่าเราทํางานคู่กันอยู่นะทํางานคู่กันอยู่ เหมือนกำลังแข่งกันเลยเรื่องสีเรื่องขั้นเงินเงินเดือนนี่นึงเอาแล้วก็มีการแข่งแล้วก็รู้ด้วยนะว่าเขากําลังแข่งอถ้าลงทุนมีบริษัทสองบริษัทใช่ไหมมีบริษัทสองบริษัทเนี่ยเขาก็แข่งกับเราเราก็แข่งกับเขากล้าวไหมล่ะที่จะรักเขาอ่ะน้อมบอกว่าขอให้บริษัทของเขานขนเนี่ยของนายกอคนเนี้ย จเจริญรุ่งเรืองเขาปรารถนาทรัพย์ให้ได้ทรัพย์ใช่ไหมปรารถนาบริวารให้ได้บริวารปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขขอให้ประสบความสําเร็จและลุดหน้าเลยเราไปเถอะกล้าคิดอย่างนี้ได้ไหมถ้าใครกล้าคิดอย่างนี้ได้จะดงว่าเมตตานั้นออกฤทธิ์แล้วออกฤทธิ์แล้ว ให้เขาให้เขาได้รับความสะดวกโดยง่ายโดยเร็วนะให้เขาประสบความสําเร็จโดยง่ายโดยเร็วโดยพันนะอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเลยมีใครกล้าคิดได้ขนาดนี้ไหมถ้าเมตตาจริงจะกล้าคิดจริงไหมจะกล้าคิดเอาแค่แค่คิดยังทําไม่ได้เลย คิดไม่ต้องไปเสียเงินคิดก่อนคิดด้วยน้ำใสใจจริงคิดด้วยจิตที่บริสุทธิ์คิดด้วยจิตที่มีความรักความปรารถนาดีความเอื้ออารทนแบบจับจิตจับใจ อ, อ่ะอ๋อคิดไม่ได้เลยเนยได้ไหม แต่จริงๆควรแจกรายละเอียดไหมควรใช่ไหมควรจะแจกรายละเอียดเพื่ออะไรเพื่อให้สภาพใจนั้นนะ่ะมีความเห็นแล้วก็รักเขาจริงๆรักเขาจริงๆอันนี้เขาเรียวกว่าเมตตาทางมโนกรรมเป็นแล้วโดยการเอาตนเองเป็นข้อเปรียบเทียบเพราะลักษณะลักษณ ะ, รษณะประโยชน์ฐานประทฐ า, านเนี่ยท่านอาจารย์มีใช้บอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปเชื่อมโยงกันก็แล้วกันน่ะมาก็เลยบอกว่าจะเดินจิตยังไง จะเดินจิตยังไงวิธีคิดน้อมประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นทีนี้ท่านน้อมมาถึงผู้ปฏิบัติธรรมน้อมมาถึงเอามาสมมุตินะหรือท่านอาจารย์มีใช้ขอให้ท่านอาจารย์มีใช้เนี่ยปรารถนาความพ้นจากวัฏทุก์ใช่ไหมปรารถนาบรรลุพระนิพพานก็ขอให้ความปรารถนาของท่านเน่ะ สำเร็จโดยง่ายโดยเร็วโดยสะดวกอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเลยขอให้บรรลุวันนี้ได้ยิ่งดีเนี่ยนี่น้องไปลักษณะเนีน้่นะถ้าอย่างนี้ก็เริ่มไม่ค่อยติดขัดใช่ไหมเอาให้ผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันให้เขาสามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความเข้าใจในทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศล สามารถเดินทานศีลภาวนาลงสู่กระแสของจิตใจได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานจากเดินได้จากหนึ่งนาทีสองนาทีเป็นหนาทีเป็นสามสิบนาทีเป็นชั่วโมงและจนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลสามารถประพฤติตนเดินตามศิกขาสามก้าวคือศีลสมาธิปัญญาเป็นไปตามลําดับ ผ่านพ้นอุปสรรคพยันอันตรายต่างๆไม่มีบาปอากุศลธรรมมาตัดรอนใดๆเลยในที่สุดจริงๆท่านเหล่านั้นปรารถนาความสิ้นทุกข์ขอให้สิ้นทุกข์ปรารถนาพ้นจากเวรภัยทั้งหลายให้พ้นจากเวรภัยและขอให้ได้อนุปาทาปรินิพานกันทุกคนเนะ้อเดี่ยวจิตมันน้อไปเงี้ยนี่เป็นเมตตาจริงไหมเมตตาจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าขอเรานิพานด้วยนื้อ การให้เขาอย่างเนี้ยบุญมันตีกลับไหมตีกลับไหมการให้เพื่อหวังผลตีกลับหรือว่าไม่หวังไม่เลยทําหน้าที่ให้ดีเถอะเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีนั้นสภาพของเมตตามโนกรรมจะเป็นอย่างนี้แล้วจริงๆเมื่อกี้ยอมถามเรื่องการเจริญเมตตาใช่ไหมทีนี้เมตตามโนกรรมเนี่ยเขามีอะไรโยนิโสมในมานาเป่าภาวะ คือสามารถมองเห็นจุดเด่นของคนได้ง่ายเมตตาถึงจะเกิดง่ายไม่ใช่มองปุ๊บเนี่ยคนนี้เขาดีเนี่ยเออคุณก็ว่าดีแต่เรามองดูแล้วมันยังใช้ไม่ได้เนี่ยเมตตาเกิดง่ายไหมวัเนี้ยไม่มไมง่ายเลยคือติดได้ทุกเรื่องบอกอันนี้เนี่ยพอดีเรามีแฟนอยู่คนนึงสวยไหนไปนดูทีว่างถ้าดูเนี่ยขาวมากเลยเนี่ยว่าั้นผิวขาวนวล ขาวก็ขาวซี้ดวะใช่ไหมนี่ดูดิเนใช่ไหมอ้าวเขาบอกว่าแฟนเองทำไมดำอย่างไรล่ะนี่ดำก็ดำมีมันอันนี้อันนี้ไปแล้วนะไปทั่วแล้วเนี่ยก็คือคนประเภทนี้จะเล่นเมตตาไม่ได้มันมองได้ทุกครั้งใช่ั้ยเขาเลยพูดไงบอกคนคนนี้ มองแต่จุดเสียของคนเขาก็เลยบอกว่าเขามีคนคนนึงเขาสามารถเขาเรียกว่าปั้นพระพุทธรูปได่งามที่สุดเขาก็บอกว่าเอ้าไ อ, าอคนนี้มันชอบติดีนะมันจะกล้าไหมเนี่ยว่าติพระพุทธเจ้าเนี่ยจะกล้าไหมติพระรูปของพระบรมศาสดาเนี่ยมันก็มันเป็นคนชอบเนี่ยก็ดูดูดูดูว่เดินซ้ายเดินขวาเห็นไหมว่าสวยจริงๆ แต่เชนว่าสวยต้องสวยที่อะไรเงี้ยเนี่ยเขาวนอยู่สามสี่รอบเขาบอกเออดีทุกอย่างจริงๆเสียอยู่อย่างเดียวพูดไม่ได้ <c oughs> มันติจนได้ไหมเนี่ยคนลักษณะอย่างเงี้ยเจริญเมตตายากมากเหมือนที่ยอมพยายามถามออกมาเข้าใจอย่างยอมอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะยอมถามปัญหามาเนี่ยอมามองพอรู้ไงยอมเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ม, มีประเภทนี้เยอะเข้าใจอย่าง พ่อยอมเป็นผู้ถามเองใช่ไอามาก็ตอบให้ยมฟังเองแล้วแก้ปัญหายมด้วยในนี้ <laughs>